ก็อนโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายถือว่าเป็นเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาของการศึกษาของชีวิตเป็นมหลาลัยชีวิตที่นี่ถือว่าเป็นมหลาลัยชีวิตถ้าหากว่าคนไหนตั้งใจศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้วก็ถือว่าจะมี โครคภัยไข้เจ็บน้อยหรือไม่มีเลยโลยครคภไข้เจ็บทางกายและโลครคภัไข้เจ็บทางจิตก็จะน้อยหรือไม่มีเลยนะท่านี้เป็นเป้าหมายสูงสุดพ่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเลือกหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพราะมันเกิดมายากกวา่าเราจะเกิดมาได้นี่มันบอกว่า ในทะเลเนี่ยมันมีเต่าทองคำอยู่ตัวหนึง่งร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลครั้งหนึง่งถ้าบอกในกลางทะเลเนี่มีห่วงยางอยู่ห่วงหนึง่งถ้าหากว่เ ต, าต่าตัวนั้นมันโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลและห่วงยางหัวของเต่าเนี่ยมันมาโผล่ที่กลางห่วงยางพอดีนั่นแหละมนุษย์ได้เกิดครั้งหนึง่งมนุษย์ได้เกิดเกิดคนหนึ่งท่านว่าทำไมมันยากขนาด น, นั้น คนสมัยปัจจุบันบอกไม่ยากขนาดได้คุมอยู่มันก็ยังจะออกมาอยู่อันนั้นให้เข้าใจว่าไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์ตามที่หลวงพ่อพุทธทาสให้คำจำกัดความมาไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนอย่างยุงมีดีที่แววขนหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบคนเรียกมนุษษาเพราะพูดถูกทำถูกคิดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสร์จริงนี่คำจำความระหว่างคนกับมนุษย์หากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบคนเรียกมนุษษาคือการทั้งเกิดทั้งด้านจิตใจ เกิดทางด้านร่างกายในพุทธศาสนาเราไม่ถือเอาเป็นประมาณเพราะนั้นเกิดทางด้านร่างกายนี้เขาเรียกว่าคนคนมาจากคาว่าระคนที่มันปนกันในตัวเราเนี่ยบางครั้งเราก็เป็นพระอเรียเจ้าบางครั้งเราก็เป็นพระพรมมบางครั้งเราก็เป็นเทวดาชั้นต่างๆบางครั้งเราก็เป็นมนุษย์ อันนี้เบื้องสูงนะในส่วนเบื้องต่ำํำเวบางครั้งแล้วก็เป็นสัตว์นรกบางครั้งแล้วก็เป็นเปรตบางครั้งแล้วก็เป็นอสุรากายบางครั้งแล้วก็เป็นเดรัจฉานเอาทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายสูงฝ่ายต่ํามาแล้วคนกันเขาจึงเรียกว่าคนถ้ากเกิดเป็นคนนั้นเยอะหมายความว่าในจิตใจของเราเนี่ยมันยังปนกันด้วยบางครั้งอารมณ์ดีบางครั้งอารมณ์ร้าย ถ้าอารมณ์ไม่ดีอกุศลเกิดขึ้นเราก็เกิดเป็นสัตว์ฝ่ายต่ําถ้าอารมณ์ดีอารมณ์สงบอารมณ์สุขเกิดขึ้นเราก็กัดเกิดเป็นสัตว์ฝ่ายสูงนี่ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเราเกิดกันเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราเคยดูตัวเองไหมสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยตลอด บางครั้งสัตว์เกิดบางครั้งคนเกิดบางครั้งมนุษย์เกิดบางครั้งเทวดาเกิดบางครั้งพรมเกิดบางครั้งอริยะเกิดบางครั้งพระอรหันต์เกิดบางครั้งพระพุทธเจ้าเกิดสลับสับเปลี่ยนกันนี้เขาเรียกว่าคนนะนิ่ถ้าหากว่าคนไหนมีอารมณ์อะไรที่กินเนื้อที่ระยะยาวคนก็จะคนคนนั้นก็จะเป็นสิ่งนั้นได้มากขึ้นเช่น ถ้าหาคนนั้นเป็นคนมีเหตุมีผลรู้จักเรียกว่ารู้จักปรับตัวเองเป็นผ่อนสั้นผ่อนยาวเป็นมีเหตุมีผลมีศีลห้ามีความกตัญญูรู้คุณมีสติสัมผััญญาปกติแล้วมีความอดความทนมีความ ส, มบสงบเงียมเขาเรียกว่าคนนั้นเกิดขณะนั้นเราเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวเลยนะ ถ้าหากว่าคุณธรรมเหล่านี้มันอยู่ครบบางคนมีจิตใจดีอยาก เ, อกเพื่อช่วยเหลือกเกื้อกูลคนอื่นเห็นคนอื่นทุกข์ทนไม่ได้อยากช่ช่วยเหลือเสียสละแรงกายแรงใจแรงวัตถุช่วยเหลือคนอื่นถ้าหากว่าเรามีจิตใจอย่างนี้จะเป็นประจำแลือคนนั้นเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทพมาเกิดท่านว่า ถ้ามีนิสัยอย่างนั้นเป็นไวจำนะต้องเป็นนิสัยบางคนเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็นอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เป็นที่เชื่อถือที่นับถือของคนในหมู่บ้านนั้นในตำบล น, นั้ น, น, นในเมืองนั้นได้คนนั้นเป็นพระพรหมบางคนเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ สะอาดและปล่อยวาง25ปเซน์ขึ้นไปรู้จักปล่อยวางรูกนามรู้จักปล่อยวางกิเลสความคิดนิเปขึ้นไปถ้าว่าคนนั้นเป็นพระอริยเจ้าคันโสดาบันทำไมเขาเป็นนิสัยนะบางคนนอกจากรู้จักปล่อยจักวางละทิฏฐิมานะละความสงสัยในพระนั้นไตรได้ละ ความงมงายได้และลดโลภโกรดหลงหลงได้ด้วยคนนั้นพระเป็นพระอริยเจ้าอนาคามีสกิทาคามีบางคนเป็นคนที่มีความาเข้มแข็งมีเมตตากรุณามุทิตาอกเบ ค, ค้ขาครบูุจักปล่อยวางลดโลภโกรดห ล, ลงห ล, ลงได้ห ล, ลงได้มากแล้วก็ ขจัดกรมราคะปฏิฆะได้ด้วยกรรมราคะปฏิฆะคนนั้นไม่มีแล้วเรียกว่าพะระเดจเจ้าขั้นอนณาคามีบางคนเป็นคนที่เรียกว่าปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิองอะไรกระทบอะไรกระแทกก็เฉยแต่ทํางานได้ทุกอย่างแต่ว่าจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบ ไม่มีปฏิกิยาต่อสิ่งที่มากระทบแม้จะทำงานหนักก็ตามแล้วสามารถสงบเป็นสุขได้ตลอดเวลาคนนั้นเรียกว่าเป็นพระอดิเจ้ า, จาขั้นพระหันทีนี้ <c oughs> บางคนเป็นคนที่ดือ้อรั้นดันทุลังเอาชนะค้าขานถูกเทียงขัดแย้งกัน ไม่ยอมใครไม่ลงใครพราะนั้นเรียกว่าเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นนิสัยประจำเขานะเขาก็เป็นสัตว์บางคนเป็นคนที่ชอบทำอะไรลี้ลับๆทำมีความลี้ลับอยู่ในใจแล้วก็ทำอกุศลแบบทำชั่วแบบใครจับไม่ค่อยได้รู้เรื่องกฎหมายรู้เรื่องศีลธรรมดีแต่ว่าใช้กฎหมายใช้ศีลธรรมเป็นตัวหลบเลี่ยง ความผิดพลาดของตัวเองไม่ยอมรับความจริงคนนั้นเป็นอสุรากายเรือกอสูรตามาสารเลือกอสูรคนบางคนเป็นคนที่ชอบเห็นแก่ตัวอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ <c oughs> แล้วก็โลภเอาของตนเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเนบียดบังเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตน จะด้วยวิธีใดก็ตามมีความโลภจัดอ่ายิ่งได้มากก็เอามากหาวิธีให้มากที่สุดคนอื่นจะเดือดร้อนไม่สนใจคนนั้นเ็าเรียกว่าเป็นเปรตหิวหว ย, ยต่อสิ่งของอยากอยู่เสมอก็มีอยู่ในสังคมมนุษย์บางคนเป็นคนเร่าร้อนใจร้อนปากว่ามือถึง แล้วใครไปแตกต้องไม่ได้ขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นเรื่เป็นสัตว์นรกเป็นคนนี่แหละแต่ว่าในจิตใจเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นในคนเรามันจะมีอารมณ์เหล่านี้ปนกันอยู่กลับไปกลับมาบางครั้งเราก็เป็นเทวดาเป็นอินเป็นภูมิบางครั้งเป็นพระริยเจ้าฉะนั้นชั้นนี้บางครั้งเราก็เป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกแล้วแต่อันไหนมันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงนั้น ทีนี้ถ้าเราจะถ้าเรามีนิสัยอย่างนั้นโดยเป็นประจํามายควาเราเป็นสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราไปเวลาเราไม่หมดกิเลสนะอันนี้นับตั้งแต่พระอดีเจ้าขันอนาคามีลงมาถึงสัตวนะ์นรกเนี่ยยังต้องไปเกิดแต่พระอดีเจ้าขันอนาาคามีไปเกิดอีกครั้งเดียวก็ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะ ถ้าหาว่าใครทําเหตุเหล่านี้ได้แต่ความตั้งแต่เราเป็นคนเนี่ยตายไปแล้วต้องไปตามนั้นแน่นอนเพราะเราสั่งสมเหตุเอาไว้มันก็ต้องมีผลตามหลักของพุทธศาสนามีเหตุต้องมีผลเมื่อเราเป็นคนใจเย็นใจดเเีเพื่อเพื่อแพร่คนอื่นอยู่เป็นประจำพอทําสมาธิทําสมถะกรรมาฐานสูงสุดไปเกิดเป็นพรหมเขาก็ทําอยู่ในมนุษย์โลกนี้แล้ว พอตายไปคนนั้นก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมใช้เวลาไปเกิดเป็นเวลาอยู่นานเป็นหมื่นปีแสนปีนะั่นแหละกวจะไดม้มากลับมานดะังนั้นในที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ระดับต่างๆนี่อย่างน้อยก็เป็นปฏิบัติสมถะนะทุกระดับมีสมถะอยู่คนขี้โกรธเป็นสันนิล ก, ก็เขาก็ทําสมถะอยู่ แต่ว่ามันไม่เป็นนิสัยทำบางครั้งไงแต่นิสัยประจำาก็คือใจร้อนใจเร็วอชอบทำ้ายชอบไอทำ้ายผู้อื่นตีรันฟันแทงตบตีคนอื่นได้อย่างไม่ต้องยัง้งวะเดี๋ยวไปสัตว์นรกเขาตายไปก็ต้องไปนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นผลปลายเหตุแก้ไขไม่ได้แต่ต้นเหตุคือถ้าคนไหนมาปฏิบัติวิปัสสนานี่แหละ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงภพภูมิของตัวเองได้เพราะนั้นพูทศศาสนาสอนเรื่องวิปั ส, สนาแล้วก็โชคดีที่เราได้มาศึกษาปฏิบัติวิปั ส, สนาเพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงภพภูมิได้เทุกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดมันตายตัวแบบศาสนาอื่นนี่คนไหนทำชั่วกะไปตกนรกแบบท้าววอนเขาได้ทาดีก็ไปเกิดกับพระเจ้าอย่างท้าววอนอันนี้มันผิดกฎของอ น, นิจจังทุกขังนันตรแต่รักของเราซึ่งมันไม่ใช่แต่พุทธศาสนาเราสามารถทุกคนเราสามารถพัฒนาตนเองเป็นพระเจ้าได้ และคนที่ไม่พัฒนาตัวเองก็สามารถที่จะเป็นตกนรกแบบถาวรได้เหมือนกันนี่ในพุทธศาสนาเรามีโอกาสเที่ยวโชคดีเรามีโอกาสแต่คนที่มีโอกาสมากที่สุดคือคนมาปฏิบัติวิปัสสนาเพราะในพุทธศาสนาคนพบพระุทเจ้าค้นพบหลักของวิปัสสนาเนะีแต่หลักของสมถะเนี่ยมีมาก่อนแล้วแม้แต่พระองค์ หลังจากที่ท่านออกบทแล้วท่านก็ยังไปเสียเวลาในเรื่องของสมถะทั้งห้าหปีนั่นก็ทำได้สุดวิชาของท่านแนีสามารถแสดงฤทธเดชได้ดำดินบินบนล่องหนหายตัวได้แต่ว่ามันไม่หมดทุกข์อ่ะมันยังคิดอยู่อ่ะมันยังปรุงแต่งอยู่จนกระทั่งพระองค์ทัานได้มาค้นพบด้วยตัวเองมาค้นหลักมาค้นพบหลักของวิปัสสนา นี่เพราะฉะในเรื่องของวิปัสสนามีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในาศาสนาอื่นเพราะนั้นถ้ายังสอนสมถะกันอยู่เนี่ยไม่ยังไม่ใช่พุทธร้อยปเซแต่สมถะนั้นมีสองระดับสมถะแบบพุทธกับสมถะแบบพรามสมถะแบบพรามก็คือทําแล้วเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารมีครั้งมีศักดิ์สิทธิม์มีอะไรต่างๆรู้อะไรพิเศษต่างๆ เมื่อเราเข้าใจเกณฑ์อันนี้เราก็จะตัดสินได้ว่าประเทศไทยของเราเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์เราเราดูปเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นไม่ยากเลยป ร, ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยบัณดิตนักปราชญ์ผู้รู้พระอริยเจ้ามนุษย์พระ อ, อินทร์พระพรหมหรือเต็มไปด้วยคนสแสวงหาเรื่องขรังศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิทธิปฏิหารสแสวงหาวัตถุมงคล กับคุณแสวงหาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไอไห น, นมันมากกว่าในบ้านเราเมืองเราเราัดสินได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องลังเลว่าเราเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์ปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้ไขกันไม่ตกคราขาสัง่งทำให้ประเทศตกต่ำด้วยพัฒนาจนถึงทุกวันเนี่ยเพราะหัวหน้าพราหมณ์มันสูงหัวหน้าพราหมณ์ระดับสูงอะไรก็ครอบงาประชาชนและประเทศชาติมาตลอดเป็นหลายๆร้อยปีอ่ะ แก้ไขา ย, ยากเพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่ในบรรดาผู้ที่เป็นสมถะแบบพรามเนี่ยก็มีสมถะแบบพุทธอยู่คือสมถะแบบพุทธเนี่ยจะปฏิบัติตามหลักของสมถะแบบพุทธคือเอาไม่เอาฤทธิ์ไม่เอาเดชไม่เอาครั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาเรื่องมงคลแต่เอาจิตสงบเป็นหลัก จิตสงบตั้งต่าสุดถึงสูงสุดแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฤทธิดเดชปฏิหารจะมีก็ตามแต่ไม่สนใจนี่คือสมถะแบบพุทธและสมถะแบบพุทธนี่แหละเป็นตัวเอื้อให้เกิดวิปัสนาเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดวิปัสนาเพราะฉะนั้นผู้ดำสมถะแบบพุทธไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฤทธิ์ไม่เมตไม่มีปฏิหารแต่เขาไม่ใช้เขาเอากําลังของนี้ไปพัฒนาเป็นวิปัสนา เนีเพราะรู้ว่าทางของพระพุทธเจ้านั้นท่านทำแบบนั้นมาก่อนแล้วมันไม่ใช่ทางพุทธแล้วท่านก็มาเปลี่ยนมาพบหลักการของท่านเพราะนั้นปัจจุบันในประเทศไทยหรือประเทศที่พัฒนาทั้งหลายเนี่ยเรานับถือศาสนาพราหมณ์คือนับถือพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้ามาเกิดนั่นแหละั น, นบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยเรื่องอย่างที่เราเห็นน่ะเรื่องวัตถุมงคลคลังศักดิ์สิทธิ์เรเอาน้ำมาค่น้ำมนต์ ก็เป็นอยู่อย่างนี้นะนักปราชญ์ท่านผู้รู้พระอริยเจ้าเราเกิดมากี่องค์กี่องค์ก็แก้ไขา ย, ยากแก้ไขได้เป็นบางจุดบางส่วนอันนั้นคือทําให้คนนั้นเกิดสติปัญญาเรียนรู้พระไตรปิฎกความจริงก็พระของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าพราหมณ์อย่างดีนะประกาศเพราะว่าพระเองนั้นเข้ามาตามประเพณีไม่ได้เข้ามาตามศรัทธา ศรัทธาบางคนก็มาเกิดศรัทธาทีหลังนะเขเป็นศรัทธาผิดก็มีศรัทธาถูกก็มีเี่ฉะนั้นเองเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศพุทธศาสนาจึงมีชะากรรมแบบนี้จึงมีปัญหาแบบนี้จึงมีการด้อยพัฒนาแบบนี้ทำให้ไม่พัฒนาถ้าพุทธศาสนาดีจริงทำให้ฝรั่งเขาสงสัยยังไงแต่ฝรั่งเขาไม่รู้เบื้องลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศ เอเชียตะว อ, ออกเฉียที่นับผิวพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธเป็นพราหมณ80์ 80-90 เอร์พูดจะถึง10เปอร์เนตแต่ประเทศจีนที่รับพุทธศาสนาเข้าไปช่วงแรกก็แบบเรานี่แหละคือเต็มไปด้วยลทัทธิประเพณีนิตองแต่หลังจากการเข้าไปของท่านโพธิธรรมท่านประธรจารย์ทักษม้อเนี่ยพุทธศาสนาเปลี่ยนไปคนละด้านเลยที่ท่านเป็นปฐมมาสังฆานายกองค์ที่หนึ่งของเซนของจีนของญี่ปุ่น เข้าจีนเข้ายุโรป น, นะเพราะนั้นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นก็จึงเป็นประเทศที่เป็นมีวัฒนธรรมมีศีลธรรมอะไรลึกซึ้งยาวไกลนะแล้วก็การพัฒนาเขาพอมาถึงยุคนี้ถึงพิสูจน์ได้เห็นว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับจีนนี้แข็งขนาดไหนเพราะเขาเป็นพูดได้มากกว่าอยากจะเล่า ประวัติบางตอนของท่านพทธิธรรมประกอบตรงนี้ก่อนหน้าท่านพทธิธรรมเข้าไปประเทศจีนเนี่ยประมาณพุทธศักราชหกร้อปีเข้าไปก่อนหน้านั้นประเทศจีนยอมรับนักผู้พุทธศาสนามาแล้วประมาณห0รอปีเนี่ยก็ทาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องสมถะแบบพรามอยู่คือ โปรมโมดโฆษณาเรื่องการทำบุญเรื่องการรักษาศีลเรื่องการทำสมถะเนี่ยอย่างกว้างขวางทีนี้ไอเรื่องพิธีรีตองแบบแบบมหายานก็เยอะเหมือนกันพอๆกับเถราว่าปีเขาเป็นมหายานพอท่านโพธิธรรมเข้าไปเนี่ยก็ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องรัติพิธีรีตองเห็นพระเห็นพิษุรีนั่งสมาธิกัน แข่งขันกันเอาเป็นเอาตายแล้วก็จักรพัฒหูสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นอัคราศาสนุกระมพกรักษาพุทธศาสนาพระจะมาทินจากไหนกน็ตามปีนั้นน่ะในสมัยนั้นบอกว่าพระในประเทศจีนเนี่ยมีเป็นเป็นล้านนะฮะเพราะคนที่ไม่อยากไปเป็นทหารก็หลบเข้ามาบวช ในประเทศจีนตอนนั้นว่าใครเข้ามาบวชแล้วไม่ต้องไปกินทหารก็ได้พวกที่ไม่อยากเป็นทหารก็เข้ามาบวชกันพระมเลยเยอะเข้ามาตามเงื่อนไขตามความเชื่อประเพณีแล้วก็พุทธศาสนาก็มีลำไม้ดังได้านศีลธรรมลำไม้ไข่เคียงไปทางหงจื้อเล่าชื๊อพวกนี้หรือเตา๋าก็เลยเข้ากันง่ายขึ้นนะ หลังจากท่านโพธิธรรมเข้าไปแล้วท่านก็ไปสอนวิธีการเนี่ยแบบที่เราเห็นเนี่ยคือการใช้สมาธิแบบลืมตาท่านก็เปิดอบรมเห็นก็มีผู้สนใจเรื่มใส่ท่านเยอะนะเข้าไปนั่งปฏิบัติแต่นั่งปฏิบัติแบบสมถะนั่งง่งเงาเฮานอนพังงบพังงบับบอกให้ตื่นก็ไม่ตื่นนี่ท่านก็สังเกตโย ถ้าสถาน ก, การณ์อย่างนี้เป็นไปไม่ได้แล้วที่จะเข้าถึงวิปัสนาท่านก็เลยเอาวิชาการเคลื่อนไหวมามาใช้ท่านก็สังเกตอาการของนกของหนูของกระลอกลอกาแต่ที่มันเ ป, นปล่าป่าเปลว ร, รวดเร็วเนี่ยทำไมมันจึงปาาเปลวนะเพราะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาท่านก็ประยุกต์เอาอาถรรของงูของสัตว์พวกนี้เข้ามาเป็นการเคลื่อนไหวอ ย, อย่าง เพราะนั้นการเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกประยุกต์มาเป็นไทเก๊กาการเคลื่อนไหวแบบช้าๆอย่างมีสติแทนที่จะไปนั่งลำหูลำตา3าชั่วโมง5ชั่วโมงก็มาทําไทเก็กมาทําไทมาทําชีกงมาทําแกว่งแขนที่เราทําแล้วก็กังฟูและรูปแบบกําลังภายในต่างๆกายกรรมต่างๆที่พัฒนาไปทางจีนทางเกาหลีเนี่ยเขาเก่งเรื่องยิมนาสติกล้วนพัฒนาไปจากการเคลื่อนไหวของท่านพูทธธรรมวัฒนธรรมเปการ กำลังภายในทั้งหมดไปจากท่านพุทธธรรมนะ้วก็พวกเจ้าลทัทธินิกายทั้งหลายที่มาเห็นด้วยกับท่านก็เยอะนะท่านก็ถูกตามล้างตามผลานเหมือนกันท่านอยู่ที่นั่นประมาณ15ปีท่านก็จะกลับนะกับประเทศอินเดียนะก็ปรากฏว่าท่านก็ถูกวางยาพิษตามประวัติมันมีสองลักษณะ ตามประวัติว่าท่านถูกวางยาพิษมรณาภาพแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนี้ขอเล่านิดหนึ่งว่าจักรพัฒน์หูเนี่ยสนใจว่าท่านพุิธธรรมเอาวิธีการนี้มามาสอนแล้วก็สงสัยตัวเองว่าการบำรุงพุทธศาสนาบวชพระเยอะๆสร้างวัดเยอะๆเนี่ยจะได้บุญมากแค่ไหนเอยากจะถามเพราะว่าเขาลือว่าท่านพุทธธรรมเป็นพระอรหันต์ ท่านคงจะรู้เรื่องนี้ดีก็เลยนิมนต์เข้าไปในวังแล้วก็ถามท่านว่าข้าพเจ้า น, นะ อ, อุถามบํารุงพระภิกษุสามเณรมาจากทิศ ท, ทั้งสี่มาสู่อาณาจักรของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็สมนุนการบวชแล้วก็สร้างวัดว่าอารามมากมายข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าข้าพเจ้าได้บุญมากขนาดไหนตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนท่านโพธิธรรมว่าไง บอกว่าไม่เป็นบุญเลยอาจจะแถมอาจจะตกนรกอีกต่างหากโอ้โหที่นี้เป็นจกักรพรรดิสามารถจะสั่งตัดหัวคนได้ทันทีไม่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับคำตอบแบบนี้นะแต่เนื่องจากว่าเป็นผู้มีศรัทธาจะใช้ลุกแก่อำนาจของจกักรพรรดิไม่ได้ก็อ่าทำไมพูดอย่างนั้นท่านชี้แจง ก็บอกว่าท่านทําบุญก็จริงแต่ท่านทําด้วยความโลภอะ่ะท่านต้องการมีอํานาจในอาณาจากักรนี้ท่านต้องการมีที่จะมีอํานาจเหนือคนอื่นท่านมีสิทธิ์ในการที่จะนําเอาทรัพย์สินสมบัติที่ได้เป็นจกักรพรรดิเนี่ยมาทําบุญมาทากุศลให้เยอะแต่ลึกๆแล้วท่านต้องการมีอํานาจที่จะครอบงำคนอื่นต่างหากท่านไม่ได้เสียสละด้วยศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเป็นจกักรพรรดิยังยื่อยู่ได้ก็เพราะท่านมีความดีตรงนี้คือเอื้อเฟือ้อพระศาสนาคนจีนเขาเริ่อมใสศาส น, สนาอยู่แล้วแต่ท่านก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการครอบงําเขาโอ้โหพอเจอคําตอบแบบนี้จกักรพรรดิก็ทําใจยากแต่ว่ายอมเพราะอะไรเพราะตนเองเป็นนักบุญทําบุญมาเยอะจะแสดงอาการคือยาตอบโต้แบบนี้ก็ก็ เ, เสียเหลี่ยมกูจะเสียเหลี่ยมนักบุญแบบจกักรพรรด ท่านก็ถามว่าท่านงั้นจะให้ข้าพเจ้าทำยังไงแก้ไขอย่างไรท่านผู้ที่รมท่านก็บอกว่าไม่ยากวันพรุ่งนี้ตอนเช้าประมาณตีสี่วัดของข้าพเจ้าที่ว่าเป็นวัดเ้าหลินเนี่ยอยู่ที่ติดภูเขาวัดเสาหลินที่เป็นวัดของท่านเดิ่ติดภูเขานั่นนะนะท่านไปที่นั่นแล้วไปคนเดียวนะอย่ า, อาทหารไปอย่าเอากาดยาเยา คนติดตามไปไปคนเดียวโอ้ชักลังเลหนักถ้าไปคนเดียวแล้วเป็นจกักรพรรดิไม่มีคนพิทักษ์อ่ะไม่มีนคนติดตามถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านโพธิธรรมเกิดยึกยักฆ่าท่านน่ยใครจะไปช่วยทันแต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไอความคิดแบบนี้ก็ไม่ไม่มีอำนาจอ้าก็แข็งใจว่าจะไปเพราะอย่างไรก็ได้รับคําท้าแล้วแ่ะ ถ, ถึงประมาณตีสปรากฏว่าท่านพธิธรรมนั่งรออยู่ที่สนามหญ้าหน้าวัดของท่านแล้วท่านก็ไปจริงเพราะเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําท่านพธิธรรมก็บอกว่านั่งลงแล้วก็ลืมตาขึ้นไม่ต้องหลับแล้วกําหนดดูการเคลื่อนไหวเพราะการหลับนั้นเป็นความบอดทางด้านจิตใจท่านเป็นอย่างนั้นมาตลอด โอ้จักพัดได้คำก็เกิดมุ่งงิดเหมือนกันในะตอนแรกอะ่ะแต่ด้วยความที่มีความตั้งใจสูงมากที่จะรู้เรื่องจริงว่าท่านจะบอกอย่างไรบอกว่าท่านนั่งเคลื่อนไหวไปไม่ต้องหลับตาตั้งแต่ตีสถึงเจดโมงเชา้าท่านพฏิธรรมก็สังเกตหลวงพว่อิธรรมท่านก็สังเกตตลอดพอช่วงหนึ่งพอจิตตื่นตัวตามัน หลีลงโดยสภาพของมันท่านก็นั่งนิ่งสงบจนตะวันขึ้นเจ็ดมงท่านพุทิธรรมบอกว่าเอาพอละแต่แต่ตก่อนที่จะบอกให้นั่งเคลื่อนไหวเนี่ยท่านบอกให้หาจิตให้เจอถ้าหาเจอแล้วบอกข้าพเจ้าแต่ถ้าหาจิตยังไม่เจอยังไม่ต้องเลิกนั่งอยู่อย่างนั้นแหละโอ้โห จะกระพัดมาคิดในใจว่าไม่เคยมีใครมามีอำนาจเหนือเรากล้าสั่งเราอย่างนี้เลยนะในชีวิตนแบบ่แต่บุคคลคนนี้เป็นใครทํากับเราอย่างนี้เราจะสั่งฆ่าเสียทันทีก็ได้แต่ด้วยความอยากรู้อย่างไงก็คิดว่าท่านเป็นพระหัต์ก็เลยอดทนอดกั้นตรงนี้เอาไว้เมื่อท่านนั่งต่อเนื่องกันไปถึงตั้งแต่ตีสี่เจ็ดมง จิตก like ็สงบท่านก็ค้นหาจิตใจสงบท่านค้นหาจิตจิตเป็นยังไงก็ปรากฏว่าท่านเห็นความรู้สึกตัวล้วนๆว่างๆไม่มีจิตไม่มีความคิดเพราะจิตหมายถึงว่ามันคิดปรุงแต่งมันเป็นจิตถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งมันไม่มีจิตมันว่างจากจิต เพนั้นคำว่าสุญญตาจึงเกิด ข, ขึ้นในประเทศจีนเนี่ยความว่างจึงเกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยกําเนิดมาจากนั้นและที่เห็นความว่างในะสุญญตานพอถึงเจ็นมงท่านก็บอก อ, อ๋อพอแล้วเจอไหมจิตท่านพูดออกมาเลยว่าไม่เจอเพราะไม่มีจิตโอ้โหตรงนี้แหละท่านพุที่ธรรมบอกว่านั่นแหละท่านเจอแล้วเพราะจริงๆแล้วจิตมันไม่มี แต่ถ้าจิตถ้าความรู้สึกตัวไม่ชัดไม่เป็นอิสระเนี่ยมันมีความคิดเป็นจิตเข้าแทรกตลอดแต่เมื่อความรู้สึกจริงๆที่เป็นรูปเป็นนามจริงๆแล้วมันไม่มีจิตจิตหมายถึงตัวที่กระทบแล้วเก็บอารมณ์มาสังสมเป็นความคิดแต่นี่มีการกระทบแต่การเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกที่ชัดแล้วไม่เข้าไปร่วม การกระทบนั้นดูความรู้สึกเกินการเคลื่อนไหวเฉยๆจิตก็ว่างมันบอกไม่มีจิตเพราะนั้นถูกถูกต้องแล้วไม่ใช่จิตว่างนะคำว่าสุญยตตาไม่ใช่จิตว่างต้องแปลว่าว่างจากจิตเห็นไหมว่างจากจิตคือว่างจากจิตปรุงแต่งเราจึงเรียกว่าจิตและใจไงมันมีแต่ใจไม่มีจิตใจคือตัวรับรู้แต่ว่าไม่สร้างความคิดขึ้นมา เป็นว่างๆกระว่าจิตว่างคือมันก็ยงว่างจากจิตมีแต่ใจเพราะตรงนี้แหละจารพรขพัหูเลยก้มกราบบอกว่าในวันต่อไปข้าพเจ้านิมนต์ไปฉันในวังท่านโพธิธรรมบอกว่าไม่เอามาไม่ปรารถนาที่จะไปถ้าพระองค์ต้องการข้าพเจ้ามาที่นี่อันนี้คือความเด็ดขาดของคนที่ เข้าถึงแล้วเนี่ยเขาไม่เอาใจใครทั้งนั้นแม้แต่จกักรพรรดิอย่าว่าคนเกรงใจกันมีความเด็ดขาดของธรรมะไม่ใช่ความเด็ดขาดของท่านโพธิธรรมธรรมะนั้นเด็ดขาดตรงไปตรงมาไม่มีการว่าอนุโลมปฏิโลมระหว่างความดีกับความชัว่วความถูกความผิดกุศล น, นิยมแยกกันให้ชัดน้ําเป็นน้ําน้ํามันเป็นน้ํามัน หลังจากนั้นท่านก็ภารณาตัวเป็นสิบแต่เนื่องจากว่าเจ้ารัฐที่พุทธศาสนาเจ้าพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านโพธิธรรมเป็นคือกรํารใจของจักรพรรดิได้พวกเหล่านั้นพวกเจ้าสํานักเหล่านั้นก็สูญเสียลาบสกาล่าทีเหมือนในครั้งพุทธกาลเลยเจักรพรรดิเคยโปรดเคยสนับสนุนเคยส่งเสริม ก็ไม่ค่อยปลูดแล้วทีนี้ไปปูดท่านพธิธรรมนิมนต์ท่านไปฟังธรรมของท่านพธิธรรมพวกเจ้าลทัทธิไม่เป็นพูดแล้วนะสอนกรรมาฐานนะอาฆาตล่ะทีนี้หาทางที่จะทำลายท่านพธิธรรมจนประวัติส่วนหนึ่งบอกว่าท่านพธิธรรมถูกวางยาแล้วก็เอาไปฝังนะเอาไปฝังทีนี้ ในช่วงที่ฝังไปแล้วเนี่ยมีบุคคลหนึ่งเดินทางจากอินเดียเนี่ยมาจีนตามเส้นทางการค้าในสมัยนั้นพระกุรภพบท่านพุท ธ, ธรรมเดินทางอยู่แล้วก็ในขณะที่เดินทางที่สวนทางกันเนี่ยเห็นท่านพุท ธ, ธรรมเอาไม้เท้าเนี่ยใส่รองเท้าข้างหนึ่งแบกไปคือมีเหลือรองเท้าข้างเดียวกั้นเถอะ ไปเพราะท่านคนพ่อค้าคนนี้เดินทางมาถึงจีนแล้วก็ว่าท่านบาบอกว่าท่านพุธิธรรมทําไมปล่อยให้ท่านกลับบ้านกลับเมืองไวจังข้าพเจ้าจะต้องการมาพบปฏิบัติกับท่านด้วยเอากลับบ้านกลับเมืองอยังไงท่านตายไปแล้วนี่ก็ฟังอยู่โน่นนั้นไงก็เกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เล่าลือไปว่าท่านพุธิธรรมไม่ได้ตายเพราะมีคนพบท่านกลางทาง หลายคนเมื่อสงสัยอย่างนั้นก็ไปเปิดไอ้ที่เก็บศพที่ฝังไว้เพราะเขาทำเป็นเป็นกระบอกเป็นเบ้าอย่างนี้แหละนะก็ไปเปิดปรากฏว่าพบรองเท้าข้างเดียวแต่ตัวท่านศพไม่มีเลยมันก็เลยไปสอดคล้องนี้ท่านไปเจอน้ท่านไอ้แบกรองเท้าอ่ไอ้เอารองเท้านี่ใส่ไปไม่ทันแล้วก็แบกไปอะไรเกิดขึ้น เ น, นี่ยตรงเนี้ยเป็นประวัติที่สําคัญตามประวัติบอกว่าท่านไปอยู่ที่ภูเขาเอเวเลตอีกแปดร้อยปีท่านมรณะท่านอยู่ที่นั่นไปโดยที่ไม่เผยแพร่เลยหลังจากกลับจากจีนแล้วมีคนพบท่านที่ประวัติส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าในช่วงที่ท่านบําเพ็ญอยู่ ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าหันหน้าเข้ากำแพงเนี่ยมีเจ้าลทัทธิ <c oughs> มาท้าทาย <c oughs> ท่านว่าการทำสมถะว่าท่านสอนได้เคลื่อนไหวทำสมถะไม่เป็นท่านก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นมานั่งด้วยกันท่านก็หันหน้าเข้ากำแพงหินที่วัดเ้าลินเน่ะเจ้าสำนักทั้งหลายก็มานั่งเจ้าสำนักทั้งหลายนั่งคุนแล้วไม่กี่วันไม่กี่ปีเลิกหนีหมด แต่ท่านนั่งหันหน้าสู้กัแพง9้าปีตามประวัตินะเกปีแล้วคนในประเทศจีนก็ยอมรับเจ้าด้ที่ทั้งหลายก็ยอมรับแต่บางพวกที่ไม่ยอมรับที่วางยาพิษท่านะแต่ความจริงแล้ววางไม่ได้ท่านท่านปรับอินทรีย์แล้วก็หายตัวไปเพราะท่านมีฤทธิ์อยู่ท่านก็ใช้บอกว่าในช่วงที่ท่านนั่งหันหน้าสู้กัแพงอ่ะมันมีบางช่วงเผลอหลับแล้วง่วง หลายครั้งท่านเลยแก้ไขไม่ถูกท่านทําไงท่านจับมิโกนมาเฉือนหนังตาทิ้งเลยไอ้หนังตาที่มันหุ่นเหนือตาเนี่เฉือทิ้งเลยตามประวัติบอกว่าไอ้หนังตาที่ท่านเฉือนทิ้งเนี่ยมันไปเกิดเป็นต้นชาในประเทศจีนที่เรื่องลือเรื่องใบชาเนี่ยก็คือหนังตาของท่านพุธิธรรมเพราะมาแปลหนังสืงเอเล่มงนี้ออกมา นั้นชาที่ลือเรื่องเป็นชาที่เมืองจีนใช่ไหมก็คือหนังตาท่านพุทธธเพราะคนดื่มชาแล้วมันจะตื่นงไงเพรา ะ, ะนั้นเวลาเราเห็นภาพแกสลักภาพของหลวงพ่อโพุทธธรรมท่านจะมีแต่ดวงตาเคยเคยเห็นไหมไม่มีไม่มีหนังตานะนั่นคือท่านเฉียนทิ้งอันนี้คือประวัติในส่วนบางส่วนของขอ ง, ของท่านหลวงพ่อโพุทธธรรมอานมาจึงชอบจุดนี้มากแปลหนังสือของท่านออกมาเล่มหนึ่ เพราะฉะนั้นเองต้องฝืนหน่อยนะมันจะง่วงจะหลับจะเหงาจะติสงบต้องฝืนถ้าไม่ฝืนเนี่ยมันไม่ได้จิตมันอ่อนไงถ้าคนที่จิตอ่อนแล้วโอกาสที่จะเกิดปัญญามันยากเรียกว่าปัญญามันอ่อนปัญญาเนี่ยเหมือนคมมีดตัวสติสมาธินี่มันเหมือนกับสันมีดตัวมีดปัจจุบันนี้คนมีปัญญากันเยอะเหมือนวิโกนไงแต่มันมมีน้ำหนัก พ่อไม่ได้พัฒนาสติสมาธิไม่มีสมถะแบบพุทธเนี่ยไม่มีน้ําหนักมันก็เลยไปตัดกิเลสไม่ขาดเหมือนกับเอาใบมีดที่คมที่สุดคุณไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆดูสิอย่าว่าต้นไม้ใหญ่ๆแค่ต้นไม้แค่ปป้มือนมันก็ตัดไม่ขาดแล้วคนทุกวันเป็นอย่างนั้นคือมุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติให้เกิดปัญญากันแต่ว่าไม่มีตัวสมถะเป็นฐานไม่มีน้ําหนัก ในช่วงที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นการทําสมถะไปด้วยคือกําหนดรูปนามเนี่ยเป็นสมถะแต่เป็นสมถะแบบพุทธวิปัสนาะจะขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามสมถะวิปัสนาเริ่มต้นตรงนู้นนะถ้าตราบใดที่จิตของเรายังไม่สัมผัสรูปนามตามความเป็นจริงนะเราก็ยังเป็นสมถะอยู่นะวิปัสนายังไม่เริ่ม วิปัสนาจะเริ่มเมื่อไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงมันปิ้งขึ้นมาปัญญาตรงนั้นเกิดตันนั้นแหละหูตาเราถึงจะเปิดเป็นวิปัสนาที่แท้จริงดังนั้นในช่วงที่สังสมการเคลื่อนไหวกำหนดรู้เนะี่ยอยากจะเป็นสมถะอยากเป็นเท่าไหร่ก็เป็นไม่ได้เพราะปัญญาตรงนั้นยังไม่เกิดแต่ว่าคนไหนกำหนดสมถะตัวนี้เป็นเนี่ยมันเพิ่งเกิดปัญญาตรงนั้นไวกำหนดยอย่างไรที่ว่ากำหนดเป็น คือเห็นอาการของเกิดของอาการเวทนาต่างๆที่เกิดในรูปในนามให้ชัดๆแต่ไม่ต้องไปพิจารณาว่าเป็นอนนี้จังทุกข์ของน้าตาหรอกแต่เห็นให้ชัดๆเห็นให้สบายๆผ่อนคลายนะจะไปตั้งใจดูตั้งใจกำหนดตั้งใจอย่างก็ไม่ได้อีกเขาจะไปเป็นสมถะแบบพรามณ์เพราะสมถะแบบพรามนี่เขาจะกำหนดสติสมาธิลงไปอย่างหนักหน่วงเพื่อให้มัน ให้สะกดจิตให้มันสงบในช่วงที่อาตามาเก็บอารมณ์กับหลวงพ่อเทียนในปี2529ที่วัดสนามไน่เนี่ยพอมาเคยปฏิบัติแบบหนอมาก่อนที่นีเก็บอารมณ์ได้เจดวันมันมีช่วงหนึ่งมันเผลอไปกำหนดลมหายใจอารมณ์หนอกลับคืนมามันวิ่เข้าไปเนี่ยใจนี่หายไปกับลมหายใจแล้วก็ตัวแข็งทื่อเลยทีนี้ดิ้นไม่ได้เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงอ่ะมันเผลอ เพลยังไงเพ อ, พอก็ตุกลมหายใจพอก็ตุกลมหายใจเข้านี่ตัวเราอ่อนดิ่นได้ก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นึกในแจวเอนี้รีหรือเปล่าน้อที่ที่อาจารย์กรรมฐานฝ่ายหนอเขาว่าเป็นการเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติลองนั่งทำก็เป็นนอนทำก็เป็นยืนทำก็เป็นแต่ไม่เดินคืนนั้นคืนนะั้นเล่นเรื่องเรื่อง เ, เข้าตัวแข็งได้ไดพอถึงเช้ามาไปรายงานหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเทนบอกว่าสมาธิแบบนี้ผมสอนแค่เดือนเดียวก็ได้ไม่ยากผมเคยเป็นมาก่อนในวิธีการวิปัสนาเรียกว่าสกุจิตแต่ในวิธีการสมราธิเขาเรียกว่าเข้าฌานซึ่งมันไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นวิเป็นสมาธแบบพรามท่านบอกว่าอย่าทําถ้าทําต่อไปนท่านมีโอกาสเป็นอามาัอามาพาตอมพาตได้เพราะร่างกายเลือดลมอ่อนปกติผิดปกติแล้วต่อไปอย่าทำํำทามาก็ไม่ได้ทําอีกตั้งแต่นั้นมา อันนี้เราจะเห็นว่านี่คือพูดถึงตรงนี้เพื่อเพื่อเห็นต้นต่อข้อผิดพลาดในพุทธศาสนาในบ้านเราเมืองเราไงว่าเราไปติดสมถะแบบพราหม์แต่สําคัญว่าเป็นพุทธแต่พอเราทําสมถะแบบพุทธร่วมกันได้กับวิปัสสนาเลยขณะที่เราทำเนี่ยจิตของเราได้มาอยู่กับปัจจุบันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยรวมคือเห็นอาการนะเห็นอาการไม่ใช่เรา ตัวไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือคือตัวเห็นรู้สึกซื่อๆไม่ต้องไปบริกรรมนะวะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังเราไม่ต้องไม่ต้องไปบริกรรมหรือไม่ต้องไปนึกอะ่ะแต่เห็นความรู้สึกซื่อๆเฉยๆตรงๆเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเสร็จแล้วก็ให้จิตเข้าไปสัมผัสรู้ตัวนี้บ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นวิปัสนาไปเองถ้ามันสังสมถึงพร้อมพอดีเข้ามันมันจะเปลี่ยนเป็นวิปัสนาของมันเองมันแวบขึ้นมาเอง แต่ถ้าหากว่าอารมณ์ตัวกำหนดซื่อๆตรงๆเฉยๆชัดๆผ่อนคลายนีย่มันไม่มีกำลังพอมันก็ยังไม่เกิดวิปัสนาปัญญาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของวิปัสนาเนี่ยกับสมถะเราอธิบายกันถูกถูกผิดผิดสับสนในอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเขายังไม่แจ้งในเรื่องวิปัสนาพุทธอะเป็นวิปสนาแบบพราม ทีนี้คนนักปฏิบัติของเรานี่เยอะในประเทศไทยแต่ทำไมปฏิบัติแล้วยังมีปัญหายังแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังติดอารมณ์ติดนั่นติดนี่อยู่เพราะมันยังไม่เป็นวิปัสนานล้วนมันยังเป็นสมถะอยู่สมถะมันไม่เกิดปัญญาเนี่ยทำให้จิตสงบเฉยๆแล้วก็แปลงเป็นปัญญาแบบพรามคือเกิด ฤิดเดชปฏิหารต่างๆก็เป็นปัญญาแบบพรามแล้วฤทธิดเดดปฏิหารนี่เขาแสดงเพื่ออะไรเบื้องหลังของการมีฤทธิดเดชปฏิหารเพื่ออะไรเพื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วแสดงตัวเหนือกว่าคนอื่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็จิตก็เรียกร้องความยอมรับเคารพนับถือลาบสักการะก็ไหลมาเทมานั่นคือเบื้องหลังเข้ามานะเขาเรียกว่าปัญญาแบบพรามสมถะแบบพรามณ์ แล้วพระในประเทศไทยของเราเป็นไงถ้าใครคนไหนดังคนขึ้นเนี่ยลาบสักการ ะ, ะไหลมาเทมาท่านจะสร้างจะแปลงจะแต่งจะอะไรนี่ถูกตอบสนองได้ทันทียิ่งสำคัญยิ่งคนหรือว่าเป็นพระหันเป็นพระอะริยเจ้าโดยคนยิ่งขึ้นนะยังไม่หลับยังไม่ลืมหูลืมตาลาบสักการ ะ, ะสร้างใายใหญ่โตมโหลานแล้วเวลาท่านผ่านไป วัตถุทั้งหลายวัดวาอารามทั้งหลายที่สั่นในกองเอาไว้เ น, นินเแล้วเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเท่าไหร่แล้วมีใครคิดเรื่องนี้บ้างทรัพย์สินของแผ่นดินมันมาสูญเสียกับเรื่องเหล่านี้ปีหนึ่งกี่พันล้านกี่หมื่นล้านแต่เราพูดความจริงเรื่องนี้ไม่ได้แต่เราก็จะพูดให้ฟังเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยดังนั้นให้ศึกษาทําอย่างศึกษาเพราะเบื้องหลังของลึกๆเบื้องลึกแล้วก็คือความโลภนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราเขาเรียกว่าพราหมณ์คือเอานทธิ์เอาเดชปฏิหารมาโชว์แต่ผู้ทุรู้จริงในวิปัสสนาแบบพุท ธ, ธท่านจะไม่แตะต้องเรื่องนี้เลยเพราะอะไรเพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเป็นอุปสรรคต่อกมักผลไปความโล้ไปอย่างทิ้งไม่ได้แต่ความรู้มันพัฒนาตัวละเอียดขึ้นเท่านั้นเองโลกแบบชาวบ้านไม่รู้อ่ะอชาวบ้านไม่รู้เราทำเพราชาวบ้านก็ไม่มีความรู้เรื่องวิปัสสนาก็ทําถูกครอบ ง, งาเรื่องสมถะมาตลอด ถูกครอบงามถูกล้างสมองถูกเปลี่ยนอารมณ์อะไรต่างๆก็ไม่มีใครรู้แต่พระก็ยังเห็นนะถ้าพระเป็นผู้นําทางด้าวิปัสนาจริงๆพระจะทําผิดพระทำวินัยหรือพระจะมีปัญหาขึ้นหน้าหนึ่งของไทยรัฐทุกวันหรือมันเป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้แต่ที่นี่มันเป็นเพราะไม่ใช่พุทธอ่ะไม่ใช่วิปัสนาแบบพุทธอ่ะเป็นวิปัสนาแบบพราม์แล้เวลาชื่อเสียงเสียอมเสียขึ้นมาก็แบบว่าอ้าวทำไมพุทธเป็นแบบนี้ ก็ไม่มีใครว่าทําไมพราหมณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วใครเป็นแพรลบาพุทธศาสนาเป็นแพรลบาเพราะเราไปเอาศาสนาพราหมณ์มาก็ตั้งแต่เบื้องสูงขึ้นมาเราไปแตะต้องไม่ได <c oughs> ้ก็เป็นพราหมณ์ลงมาดังนั้นเองเราต้องศึกษาเรื่องนี้จริงๆถ้าคนไหนกล้ามาหาธมะเอามาก็จะพาทำเรื่องนี้แหละแล้วก็ไม่ใช่มาง่ายๆแต่ถ้ามาแล้วทําอะไรไม่เหมาะไม่สมไม่งามเอามาก็เชิญกลับเท่านั้นเอง เรามาอยู่ในวัดแล้วอยู่ที่ป่าเราต้องระวังนะว่าการทำอะไรทุกอย่างต้องระมัดระวังคือเรามีความตั้งใจมีความปรารถนาดีก็จริงมีความเมตตาซึ่งกันและกันก็จริงแต่เราอยู่ในท่ามกลางคนที่ยังบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่บางคนก็เข้าใจธรรมะบางคนไม่เข้าใจธรรมะเรามีความปรารถนาดีก็จริงแต่คนอื่นที่เขาไม่เข้าใจเราเขาจะตีเตืตตนาว่าอย่างไร น้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหลีกเลี่ยงในสิ่งที่คนอื่นจะเข้าใจเราผิดถึงแม้ว่าเรามีความตั้งใจมีความปรนานีก็าตามอมาจะแบ่งว่าเออทางนั้นเป็นชีผู้หญิงอันนี้เป็นชีผู้ชายนะผู้หญิงผู้ชายอย่าไปแตะต้องกันนะแต่ะต้องได้รับอนุญาตนะเพราะฉะนั้นในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บของเราส่ว น, นคือมันเป็นวิบากกรรมของเราเราใช้ชีวิตผิดผิดมาตลอด เราจะไม่แก้ไขให้มันหาย3วันหวันมันไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ไขพฤติกรรมนิสัยของชีวิตให้ใหม่ให้ถูกแล้วมีบากกรรมมันก็ถูกชาระไปในการที่เราจะไปแก้ไขปรับปรุงนิสัยการใช้ชีวิตให้ถูกต้องก็ต้องมาเจริญสติปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าเราผิดตรงไหนถ้าเรายังไม่รู้ความผิดพลาดของตัวเองในการใช้ชีวิตมาตลอดมันก็แก้ไขยากแต่ปัจจุบันนี้ พุทธศาสนาในเทศไทยหรือในนามของศาสนาพราหมณ์กําลังโปรโมทโฆษณาเรื่อง ก, กรรมเรื่องเวรใช่ไหมแก้กรรมอย่างนี้แก้กรรมอย่างนี้นรรนเป็นเรื่องของพราหมณหมดแล้วการแก้กรรมคนก็อยากจะหมดกรรมไวๆด้วยความโลภอ่ะด้วยความอยากไม่คํานึงเหตุผลว่าเราสั่งสมนิสัยการใช้ชีวิตผิดมานานเท่าไหร่เราจะไม่แก้กรรมไปเพื่องกรรมไปปวดกรรมให้มันหมดไวๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันผิดหลักพุทธศาสนาทุกอย่างมันมีเหตุต้องมีผลแล้วผลมันจะหายไปต้องแก้เหตุให้ถูก ไม่ใช่จะเอาผลเราไม่คำนึงถึงเหตุไม่ใช่การที่เรามีความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยเพราะเราสั่งสมการใช้ชีวิตมานานการแก้ต้องแก้ให้ถูกเหมือนกันไม่ใช่จะไปแก้กรรมจะบีบจะนวดจะกินยาสาวันหาวันหายมันเป็นไปไม่ได้ต้องแก้ให้ถูกเหตุอันนี้คือพุทธศาสนาันั้นการที่จะทาให้ถูกเหตุเป็นได้ก็คือสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมา เห็ได้ถูกต้องทุกต้องกําหนดรู้ไม่ใช่ทุกที่เราจะหนีจะบีบจะเค้นให้มันหมดไปมันเจ็บป่วยก็โอเคยอมรับความเจ็บป่วยกําหนดรู้ใช้มันเป็นเครื่องมือของวิปัสสนาอย่าไปกลัวมันถ้าเรากลัวเราก็พยายามจะหนีด้วยการวิธีนั้นวิธีก็ถูกหลอกง่ายๆเดี๋ยวหมอยาตรงนั้นดีก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวหมอผีตรงนี้ดีก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวหมอโนดตรงนี้ดีก็ไปตรงนั้นเพราะเราไม่มีหลักของตัวเอง แต่เราไม่สอนความจริงนี้ให้ก็ไม่เอาเพราะเรามีความโลภเป็นพื้นฐานความอยากเป็นพื้นฐานก็อยากจะหายไวๆถ้าอย่างนี้มันช้าตามหลักพุทธศาสนาทุกอย่างเป็นไปนตามเหตุและผลไม่มีอะไรที่บังเอิญไม่มีอะไรที่บันดาล <c oughs> ไม่อะไรที่เสกเป่าแล้วมันหายอันนั้นเป็นตัวจิตวิยาและเป็นวิธีท ร, รมาหากินของคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงเราต้องไม่ ฝากใยไปเชื่อแบบนั้นเราต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะเราใช้ชีวิตผิดอย่างไรบางคนก็บอกอพวกกรรมเขาว่าไงโอ้คุณในชาติก่อนชาติแล้วนั่นแหะคุณเป็นอย่างนี้เพราะคุณไปฆ่าสัตว์มาคุณไปทําร้ายสัตว์มาชาตินี้คุณถึงเป็นอย่างนี้แล้วทํำยังไงก็ต้องซื้อสัตว์ไปปล่อยซื้อปลาไปปล่อยซื้อเต่าไปปล่อ ย, ออปปลอยแล้วก็ทําบุญคุณต้องทําสังฆทานอยที่ส่วนกุศลใหค้คนนั้นคนนี้แล้วเขาจะปลดเปื้องเรื่องกรรมให้คุณเราก็ไปซื้อ เพ่มสังฆทานเต็มวัดเต็มว่าแล้วมันเกิดการสูญเสียทด้า น, นเศรษฐกิจแค่ไหนแล้วไม่มีมันไม่มีผลน่ะเพราะฉะนั้นมาไปอยู่อเมริกาถึงได้เห็นเรื่องนี้ว่าโอ้ประเทศที่เขาร่ารวยเป็นมหาอนาจเขาใช้อย่างประหยัดมากเงินทองของข้ า, าต่างๆถ้าไม่มีเห็นมีผลที่จะใช้เขาจะไม่แต่ของเราซื้อของมาทำบุญสร้างวัดว่าอารามใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มกันน่ะแล้วมันก่อให้เกิดการสูญเสียประเทศชาติขนาดไหน เราไม่คิดกันนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวเอามาขอหยิบมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะดงนั้นการปฏิบัติ <c oughs> จะให้เราให้เรามีเหตุมีผลยอมรับความเป็นจริงแล้วแก้ไขมันแก้ไขที่ใจโรคต่างๆสมุทฐานเกิดที่จิตเพราะจิตเราคิดผิดทำผิดมาก่อนก็ไปสร้างโรคภัยเจ็เจ็บขึ้นเราก็มาแก้ไขที่จิต มาปรับที่จิตให้จิตคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปแก้ของมันเองเพราะจิตที่ดีเป็นกุศล น, นั้นมันจะไปรักษาโรคของมันเองเพราะอะไรสมุทฐานของโรคที่เกิดทั้งจิตถ้าโรคโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตเข้มแะแรงจิตนี้จะเครียดเมื่อจิตมันเครียดมันก็ส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารพิษออกมาเรียกว่าสารอะดรีนาลีนหลั่งมากเกินจําเป็น มันก็ไปทํำลายต่อเซลล์ต่างๆที่อ่อนแอเพราะอดะดรีนาลีนเป็นกรดก็ไปทำเซลล์เซลล์เหล่านั้นอ่อนแอไม่เสลยเลยนั้นก่อนก็เกิดให้เกิดโรคต่างๆความดันเบาหวานเกาพาะหัวใจสารพัดโรคแหละสมุทรานไม่ไปจากจิตมันไม่ได้มาจากเรื่องภายนอกอย่างเดียวเรื่องภายนอกที่เข้ามาทําให้เกิดโรคมันแค่สินะแต่ไปจากจิตถึง 90% เพราะนั้นเมื่อเราแก้ไขจิตตกโรคไปแค่จ็บแทบจะหายหมดเลย แต่ถ้าหาวกว่าพยายามรักษาโรคภั้เจ็บทางกายแต่ไม่ปรับเรื่องจิต น, นะคุณรักษาไปเถอะตลอดชีวิตไม่มีหายนะนั้นเรื่องมีอะมานําเสนอทั้งที่ประเทศไทยทั้งที่อเมริกาบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่บุญกุศลน้อยก็ปล่อยให้เขาไปไปก่อนคนที่มีบุญกุศล ม, มากรับได้เลยแล้วก็ฟอลโล่ทาตามได้เลยแล้วก็ได้สุขภาพดีเห็นทันตา แต่คนไหนที่ยอมรับมันได้พระอะไรกรรมฐ า, านอะไรเต่นแรงเต่นกาเออแล้วก็พูดนอกเรื่องนอกราวผิดเพี้ยนหรือเปล่าแต่พวกนี้ก็จะเจ็บปืนหนักกึ้นอีกไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะไปสร้างกรรมใหม่ให้ตัวเองอีกแทนที่จะมาปรับจิตของตัวเองให้ถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณ า, นะามาไม่ได้พูดให้ใครเชื่อแต่พูดให้พิจารณาแล้วอันไหนมันเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องตรงกับตัวเองแก้ไข อย่าไปกลัวตายความตายความเจ็บความแก่ความเจ็ บ, ค ว, ค, วจบความตายเป็นธรรมดาของชีวิตทุกคนต้องมีแต่เราจะทำให้มันแก่ช้าเจ็บช้าตายช้าแก่น้อยเจ็บน้อยตายน้อยได้อย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำและอามาก็แนะนำตั้งแต่นั้นเพราะอามาผ่านตัวอย่างอันนั้นมาอามาเป็นคนเคยเจ็บมาก่อนเคยแก่มาก่อนและเคยตายมาก่อน มันก็ได้ว่าจะทำยังไให้แก่ชา้าเจ็บชาตายชา้าเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์มหาศารที่มันเกิดมายากทำไมปล่อยให้แก่เขาเจ็บเขาตายไวเหลือเกินบางลายที่ยอมรับเราก็ช่วยได้บางลายไม่ยอมรับก็ช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่พระที่อยู่กับตมาก็เหมือนกันเมื่อท่านไม่ทาตามไม่โฟลกก็ต้องปล่อยไปตามกรรมนั้นกรรมก็ไม่ได้ถูกแก้ดังนั้นเรื่องนี้นามาเสนอให้เป็นเหตุเป็นผล ว่าสมถะคืออย่างไรวิปัสนาคืออย่างไรสมรถะแบบพราหมณ์เป็นอย่างไรสมรถะแบบพุทธเป็นอย่างไรวิปัสนาแบบพราหมณ์เป็นอย่างไรวิปัสนาเปเแบบพุทธเป็นอย่างไรให้ชัดเจนแล้วเราจะไปทําได้ถูกแต่เมื่อเอาไปทําแล้วยังไม่ถูกอีกอาจมาเป็นเพื่อนปฏิบัติที่นี่ตลอดก็มาถามมาคุยกันเมื่อได้ข้อเท็จจริงอย่างไรก็มาไม่ได้นึกคิดมาสอนเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านที่วิสูจน์มาแล้วเนี่ยมาบอกเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นพระในประเทศไทยสุขภาพเป็นยังไงไปกองกันอยู่ที่โรงพยาบาลสงวนต่าง ๆ, ๆเป็นเรื่องหน้าขายหน้าถ้เาเป็นพระเราไม่ไม่รักษาตัวเองแล้วปล่อยให้เป็นโรคไข้ไข้เจ็บนะแล้วนะพนับพญานาคบรู้ออกไม่ใช่พระวิปัสนาบแบบพุทธเป็นวิปัสนาบแบบพราหม์มันก็มีสมุธานันองความโลภอยู่ในใจก็ให้เกิดโลคให้ไข้เจ็บอย่างนั้นนะจะพาจะชักจะชวนมาทําวิปัสนาบแบบพุทธก็ไม่เอา ถือว่าผิดพลาดไม่ใช่พุทธศาสนาไปนู่นเลยเพิ่มกรรมให้ตัวเองอีกเพราะความเห็นผิดเพราะนั้นมิใช่ทิฏฐิแก้ได้ไม่ง่ายนักหรอกถ้าเราไม่สร้างสมาธิทิฏฐิขึ้นมามิใช่ทิฏฐิก็ยังอยู่ตรงนั้นตามอัตราส่วนถ้าสมาธิทิฏฐิเกิด30เราก็ยังมิใช่ทิฏฐิอีก70ถ้าสมาธิสี่เกิด70แล้วก็มีอัตราส่วนมิใช่ทิฏฐิอีก30ปรับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งเราเป็นสมาธิทิฏฐิร0อเซนต์เข้าถึงการบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ เรียกเป็นพระอิยเจ้าตามลาดับพระโสดาบันยังมีวิชาทิฏฐิอย่งเ 5% สแต่สมาธิทิฏฐิปเซพระสกทาคามีมีสมาธิทิฐิวิชาทิฐิ50 50พระอนาคามีมีสมาธิทิฐิเปรซ็นยังมีวิชาทิฏฐิ20พระอรหันต์เท่านั้นมีสมาธิทิฐิร้อยเปอ็วิชาทิฐิหมดอเปเหมือนกันทุกของท่านก็หมดอาสวัท่านก็หมด ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสิ้นเชิงนั้นหมาขคาไม่มีอสวะเลยเรียกว่าขีณาสุนั้นเราต้องปรับเอาตัวมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐิก็มีหลายระดับสมาธิทิฏฐิก็มีหลายระดับอย่าคิดว่าเราเป็นสมาธิทิฏฐิเป็นชาพุทธแล้วไม่ใช่นะแต่มีถามว่ามีกี่เปอร์เซนต์ตรงนั้นต่างหากถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ต่ํากว่า2ี่สหซหมายความว่าสมาธิทิฏฐิต่ำกว่าห้า 25เอรนต์นอกกนั้น80กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นยังเป็นวิจฉาทิฏฐิอยู่ความทุกข์มันถึงเกิดไงถ้าเป็นสมาธิโดยชิ้นเชิงมันทุกข์มันไม่เกิดเลยไม่ว่าทางกายทางจิตแต่ว่าทางกายนั้นไปห้ามทุกข์เกิดไม่ได้เพราะทางกายนั้นเป็นสังขารโดยกําเนิดเป็นกรรมของเราได้กําเนิดถ้าเราไม่มีสังขารไม่มีกรรมเราไม่ได้มาเกิดเสวยทุกข์เป็นมนุษย์อีกนันก็ไปสู่การดับการสิ้นไปเลยแต่ที่เรายัง มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะเรายังมีกรรมติดตามมากรรมอันนั้นก็ทาให้จะเป็นทุกข์ไงแล้วต้องแก้ไ ข, ขต่อไปแก้ไขด้วยสัมมาทิฏฐิก็เราจะต้องไม่ได้ไม่มาเกิดอีกอัน น, นมาถึงกล่าวบอกว่าที่เราปารับเรื่องสุขภาพดีมีความเข้มแข็งนี่ไม่ใช่เพื่อจะมาหาความสุขเพิ่มเกียรติหายให้กับตัวเองนะแต่เพื่อที่มีพละกําลังมาได้ปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเต็มที่ เพื่อกิเลสอาสวะของเราจะได้หมดไปโดยเร็วแล้วเราสามารถจะช่วยคนได้ที่เขาก็เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาพบอย่างนี้เราก็หาคนเหล่านั้นให้คนเหล่านั้นเขามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขามีคุณสุบัติมาดีแล้วแต่ให้เขาได้พบผ่านกับวิธีการอันนี้ซึ่งมันตรงมันง่ายทุกคนทําได้ถ้าเขามีศรัทธาอันนั้นต่างหากล่ะนอกจากว่าเราทํา การเกิดแก่เจ็บตายของเราหมดสิ้นไปธรรมอสวะของเราหมดสิ้นไปเวลาที่เหลือเราจะช่วยเหลือผู้อื่นที่เขามีคุณสมบัติที่เขามีสมาธิถี่แล้วระดับหนึ่งนั่นคือเป้าหมายของเรานะเพราะฉะนั้นในช่งชวงเช้านี้ก็ชี้แจงเรื่องนี้ค่อนข้างยาวเพื่อป้องกันวิใชาถี่ถีระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วมีอะไรถารมธรรมะตลอดเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุ ในความตั้งใจที่เราจะปฏิบัติดูแลตัวเองทั้งกายและใจให้สิ้นความทุกข์และความเศร้าหมองจิตด้วยกันทุกคนทุกท่านทือ